อรรนไมโยคะไวจอนไหลาสาหรับวันนี้ก็จะขอปรารภเรื่องของบุพกรรมของพระมหาสาวกหรือว่าที่ตามพระบาลีท้าเรียกว่าเรื่องของสนชัยแต่ความจริงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับสนชัยมีนิดเดียวเป็นเรื่องของมหาสาวกผู้ใหญ่มากกว่า ยังได้เห็นนามว่าเป็นเรื่องกมหาสาวกสำหรับคืนนี้ก็ยังเป็นเรื่องอารามพบตในท้องเรื่องอยู่แต่ความจริงอารัมพบตนี้เป็นเรื่องในท้องเรื่องจริงๆไม่ใช่ผมตั้งเรื่องอารัมพบตยจะขอต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวเอ้กล่าวว่าในวันวีสาขาปรมีเวลาเช้าตรู่ อง์สมเด็จพระบรมครูเสวยข้าวมาทุกใบยาิซึ่งนางสุธาดาถวายแล้วองค์สมเด็จพระบทีพแก้วจินตสวงลอยถาดทองคำในแม่น้ำในรัญชราในส่วนการวันล่วงไปโดยสมบัติต่างๆงกลาว่าในราวา่ายมวัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรันชราในเวลาเย็นทรงรับยาคาจากนายโสธยาถวายมีพระคุณอันพยายการนาคราชชมเชยแล้วแต่ความจริงเรื่องตอนนี้พิสดารมากผมจะขออดุาไปขอว่าตามอราบบทของท่านเ็เด็ดไปสู่โคไม้สีมาพโพแล้วก็ทรงราชยา ทรงทำปฏิญาณว่าเราจะไม่ทำลายบรรลังนี้ตลอดเวลาที่จิตของเราจะยังไม่ได้บรรลุอาสวะและก็โดยการไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถือมัน่นตอนนี้ขอบรรดาทนางหลายจำให้ดีเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังนิทาน ในฐานะที่ท่านนันไลอุปสมบทบรรฑชาเข้าขมาก็ดีหรือว่าท่านหันไลที่เป็นครัวว่ น, น้อมใจเข้ามาในขอบเขตศ า, าสนาพระองค์สมเด็จพระจินสีดูกำลังใจของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสวงหาพิเนศเกรมเข้าไปสู่สำนักอาราลด า, า, า, าบทเราทักนดาบท ร, รามาบท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมลุมสมมาบัดแปดประการเป็นการจบหลักวิถีหลักโสตของอาดาระดาบททุตทธครดาบทท่านดาบททั้งสองจะใ น, นมอบหมายให้องค์สมเด็จไปจอมไตรเป็นครูสอนแต่ต่อมาองค์สมเด็จระชินวรน ทรงมาพิจรารณาเห็นว่าความรู้ในสนัก อ, อาจารย์ของทั้งสองนี้ไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรผลยังไม่เส ก, กจิตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามติจินิ ล, ลีกออกจากสถานที่นั้นไปสแสวงหาโมกขลัมโมกขธรรมตามเฉ้า พ, พระองค์และปรากฏว่าในตอนนี้ปัญญวิคีคราหรือสีที่ห้า มีท่านัญญาโกนัญญาท่านวัปปะท่านปฏิยะท่านมหานามท่านอัสธิชโดยเฉพาะอย่างยี่งท่านโกนัญญาพรามเป็นพรามที่มีโอกาสได้ทำนายลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงพระเยาว์พรามอื่นยกมือขึ้นสองนิ้วว่าเด็กคนนี้แต่หากว่าเป็นครวาส่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพริราช ถ้่ากว่าเข้าอุปสมบทบรรพชาจะได้เป็นสัตสันดาเอกในโลกพระามที่เข้าประเพียกก่นั้นห้าองค์ด้วยกันแต่ว่าองค์ที่หน่มที่สุดในบรรดาพราหม์ท่านหลายเาหล่านั้นก็ได้แก่อัญญาโกลยพระรามท่านโกนยกพระรามองค์นี้ยกนิววน้วเดียวขึ้นยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะได้เป็นศัตสันดาเอกในโลก ฉะนั้นเมื่อทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสูบออกสูบหนวดยิง่งได้พาลูกหลาขนขบรรดาฟรามสี่คนออกโบสถ์พระรามสี่คนนั้นกล่าวว่าเราแก่แล้วโอกาสที่ติดตามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไม่มีท่าเจ้าดังหลายทราบว่าสิทธสถาราชกุมารนี้ออกโบสถ์เมื่อไร คอยตั้งใจบวชติดตามจะได้บรรลุธรรมพิเศษเช้นพระามทั้งห้าท่านมีัญญาโกนิยปรามเป็นต้นยิงได้ติดตามปฏิบัติองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมัยสัพทธเจ้าตลอดมาสิ้นเวลาหกปีหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระจินทสีสมปฏิบัติธรมารตะกาย จาทาั่งสูบผอมเกือบจะเดินไม่ไหวเอามือลูบไปที่ไหนขนหลุดตามมือที่นั่นพีธีของพรามนี้ก็ไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมพุทสยานองค์สมเด็จ พ, พระวิชิตธมานจะไม่คิดว่าการทรมานร่างกายคงไม่มีผลการบรรุมรรคผลคือโมกขธรรมหรือพระโพธิญาณอาจจะบรรลุได้โดยทางใจจึงกลับมาเสวยพระกยายารใหม่ ตอนนี้าาทึงนกล่าวว่าเทวดาดนใจเป็นเหตุให้พระมังา้าคนหลีกไปเห็นว่าองค์สมเด็จประจอมไตรเป็นผู้มากมากในาอาหารแตว่ว่าเทวดาท่งกล่าวว่าต้องการให้องค์สมเด็จพระวิชิตามารอยู่แต่พระองค์เดียวมิเช่นนั้นจะไม่ได้สเด็จไม่ได้สมเ็จพระสัสมมาสัมพุธิยาน เป็นนั้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นไม่มีในหนังสือนี้หนังสือนี้ท่านเล่ายออ่อผมขอทนไปนิดหนึ่งเมื่อทรงค์สมเด็จพระธรรมสามิตรรับข้าวมัรรยยนนทุปาญาติคนนางสุธาดาแล้วองค์สมเด็จพระบัทีแก้วก็ทรงปั้นเป็นปันป้นฉันจะมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ และตอนเย็นเย็นเอาถาดไปลอยน้ำอธิษฐานว่าถ้าขบเจ้าจะได้สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธิยานขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปความจริงในช่วงนั้นน้ำไหลเที่ยวมากแต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ถาดลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้กระลพอสมควรแล้วก็จมลง ทายก็ลงไปกระทบกันที่วิมายขมิยาการนาคาราตในาบบยายนากคบิภพพิยานนาคตัวนี้เกณนอนหลับเสียงทายกระทบกันในคลิกเส่องทายของพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่เป็นธาตทองคาําจะต้องไปซ้อนกินอยู่ที่พบขมิยการนาคราตท่านนี้มีนามขมิ ย, ายาการนาคาราช ถ้าลืมตาขึ้นมาที่ว่าโอหนอ๋นี่เวลาสิน้นระยะไปนิดเดียวเรานอนไม่ทันจะเต็มตืม่นองค์สมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจา้าสมบุรุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณอีกแล้วหรือท่านก็ดีใจเป็นนวันนับตัแวันนั้นเป็ น, ว น, นเนวลานั้นเป็นต้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไปหาต้นไม้มีนามอัสสฟิกัสสัสก ต้นไม้ที่มีหางยาวบนหางมาเวลานั้นเขาไม่เรียกไม่เรียกต้นโพ <c oughs> เขายังไม่เรียกต้นโพท่านเอาหญ้าคาที่นายโสติยะถวายแปลกกรรมวางไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุปะสมาวสัมโพธิญาณเพียงใด เราจะไม่ทำลายบันลังนี้ท่านในพระมสิมพโยทีงกล่าวว่าถ้าแม่ เ, เลือดและเนื้อของเราจะเกิดแท้งไปก็ตามทีชีวิตก็เราจะตามกตายก็ช่างเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดจนกว่าจะได้สําเร็จพระสัมมาสัมพุธิญาณตอนนี้พระยาเจ้ท่านนั่งหลายจําไว้ ว่าการเจริญเพืะกรรมฐ า, านเพื่อมรุมรกผลเข้าที่ความดีในขอบเขตของมัสสสนาทุกท่านก็ต้องตัดสินใจเหมือนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหมดไม่ใช่ว่ารมอย่างนี้จะมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเราซึ่งเป็นสาวกที่เรียกว่าอนุัุถะผู้ปฏิบัติคือเพื่อความมรุตาม ก็จะต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันถ้ากำลังใจขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสร้างกำลังใจไว้แบบนี้ฌานส ม, มาบัติคนดีมักผลคนดีเป็นของไม่ยากสำหรับท่านแล้วก็ตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องราวที่จะ ก, กล่าวต่อไป ทั้กล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมบัทัพนั่งผินบัพักไปทางบุรพาคือทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่สะดงคตทรงกําจัดมารและพลมารได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสารุสติญาณในปฐมฌานคําว่าทรงกําจัดมารและพยามารได้ในตอนนี้ทั้งกล่าวว่า ตอนนั้นพยามาราทิราชเห็นองค์สมเด็จพระบรมโรคก็น้าตัดสินเมตไถยแบบนั้นก็คิดว่าสิทธาาราชกกมารจะพ้นจากกำลังของเราเสียแล้วเราไม่มีอมนาจจะปราบปรามได้ก็นั่งเศร้าใจเป็นเหตุให้ดกสาทาทั้งสามคือนางตัญหานางราคานางอรดี <c oughs> เห็นพ่อเศร้าสรอยระหอยใจแบบนี้จึงเข้าไปถามจึงเข้าไปถามแม่ยามาราที่าร่กะตอบป่าชีดดูชี้ดูวันโ่นดูสิทธิธาราชุกมันเธอตั้งมโนวิธานปราถนาพระโพธิญาณจะไม่ยอมลุกจากที่แม่แกตายก็ตามที การ <c oughs> การตัดสินใจอย่างนี้เป็นอารมณพ้นวิสัยเราแน่เราไม่สามารถจะทัดทานเธอไว้ได้ลูกสาวทั้งสามก็รับเอสามพอสาวพ่อจะทำลายพิธีความดีของอสมเด็จพระจอมไตรจ์ิงมาบัลลับบรลมในฐานะที่จะภาพเป็นนางฟ้า อสมเด็จพระบรมศาสดาก็ไม่ลืมตามองรวมความว่าจะทำยังไงก็ไม่มองไม่สนใจนางทั้งสามก็อ่อนใจกลับไปนี่อารมณ์ขมรนดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมีหญิงทั้งสามนี่มาประหลาบประโลมอง์สมเด็จตุสัสมมาสัพพะตะเจ้ทาทรงยั่วยาวในฐานะที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นี่ เป็นเป็นสาวใหญ่เป็นคนมีบุตรแล้วหนึ่งคนสองคนองค์สมเด็จพระทศพลก็ไม่สนใจตอนนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> จงจะเอาไว้ว่ากามราคะถ้าเราไม่สนใจที่อย่างเดียวนะไม่มีใครเข้ามาสึกเราได้โดยมากท่านดีแพรอำนาจกามราคะมันจะมาตัด มาคิดกันว่าแล้วกล่าวกันว่าเป็นโจทย์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาสึกพระผู้หญิงคนนี้มาสึกพระผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนใดมีอมนาจสึกพระนอกจากท่านที่บวชเข้ามาแล้วแพ้เดิมหน่ายของกามาคุณสึกไปหาเขาทั้งหากอาตนาโจทยทยตานัง พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองถ้าเรามัวมองความผิดที่เราทำว่าคนอื่นเขาทำผิดนั่นมันเป็นความเลวของเราที่ไม่รู้จะประมาณความเลวขนาดใดได้หาว่าการมาราคะมันปรากฏอย่างองสมเด็จไปจอมไตร เราก็ใช้อสุปกรรมฐานกับกา ย, ยกตานสติกกรรมฐานข้ามาหาข้ามใจแล้วก็พยายามไม่สนใจเรื่องรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแ้่สัมผัสระหว่างเพศมันก็หมดเรื่องมันอยู่ที่กำลังใจทอเร า, าจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเท่านั้น เมื่อลกทั้งสามไม่สา ม, มารถจะทรมานองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานให้ทรงพ่ายแพ้ได้เมื่อกลับไปสุวิมานตอนนี้พยามานมายุ่งองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานด้วยการชวนรบเป็นการสร้างบรันรดาลโทสะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เฉยแต่บาลังที่นางนีเขาสร้างเขาก็ได้จะบอกฉันสร้างจ้ะ แห้วขาถามว่าใครเป็นพยานจะเป็นไปไปพยายนเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีใครเป็นพยายนมีแต่พันนางทรณีเท่า น, นั้นเป็นพยายนและองค์สมเด็จพระวิชิตธมานทรงเด่นทรงดนนิตรเรื่องแคล่วป้องกันสรรพาวุธของพย า, ยา ม, มาราธิราชที่แผงสอนเข้ามาอาวุธทหลายไม่สามารถจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมสารนันดานได้ ละองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจดนสรงนรึกเถรวนามพระธนีว่าจงขึ้นมาเป็นพยานเรามนามงอบรราวัน์ธณีเจเนด้ดุดขึ้นมาจำแรงกายหญิงสาวสวยงามโซภากล่าวว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขกำไรแสงกลับ น, นี่มีหม่อมฉันเป็นพยาน เล็งเจ้าจึงได้ดีบน้ำออกจากมวยผมน้ําก็ลงมาเป็นทะเลใหญ่เป็นเหตุให้เบยามาทงหลายเหล่านั้นลอยคอกันเพราะน้ําเป็นน้ําทิพพวกที่มาเป็นพวกทิพก็ถูกน้ําทิพทุ่มทัพต้องยกทับกลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชนะอย่างนี้ยังเป็นโลกีวิสัยนะ จะนะทั้งกามราคะและโทสะจะไม่ดีนะที่จะนะพย า, ายามมนะพระองค์ทรงเฉยพยายามจานจะด่าจะวาจะ่าจะท้าจะทายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เฉยคำว่านิรมิตเลยแก้วก็ทำใจให้เข้าถึงเป็นเอกาตารมในอารมณ์ของฌาน มีกำลังจิตคิดอยู่ว่าขาายว่ายังไงก็ชางมันมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าปากของมันจะเลวสักอย่างเดียวก็ให้มันเลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยถ้าเราทำดีแล้วมันจะว่ายังไงชั่วยังไงก็ตามเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราทำความชั่วเขาจะสนเสรินเราว่าดีเพียงใดเราก็ไม่ดีไปตาม นี่เป็นอนุ瓦องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะมานคือโทสะละพยาบาทได้ในตอนนี้เพราะอาศัยว่าองค์สมเด็จพระมหามุนียึดอารมณ์สมาธิเป็นสําคัญแล้วถืออารมณ์ไม่สนใจทุกอย่างเป็นสําคัญอันนี้ตัวจัดสําคัญมากนะไม่สนใจทั้งการมราคะไม่สนใจทั้งปฏิฆะคืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระจิตในด้านที่ไม่พอใจ ในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงชนะกามราคะคือรูปสาวของมานและก็โทสะได้แก่ของทัพของพยามานหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามัยก็ทรงบรรลุปุเพนิวายสานุสติญาณในปฐมญาณก็แบ่งเป็นสามญาณปุเพนิวาสารุสติ ญ, ญาณ น, นี่ยก็คือระลึกชาติได้โดยไม่จํากัดชาติ ระวังให้ดีนะผมมีความรู้สึกสะดุดอยู่นิดพอพูดมาถึงตรงนี้คิดว่าพวกเราบางท่านเนี่ยบางทีอารมณ์จิตจะเผลอคิดว่าระลึกชาติได้หรือว่าได้ที่ไปเจอุยหยัยนต้องระวังให้ดีเนี่ยครับระวังอุปาทานมันจะกินอารมณ์ที่านคิดว่าท่านได้อยู่นั้นมันมีจุดดำอยู่มากกว่าจุดขาว มันเป็นอารมณ์ปาทานหรืออารมณ์เผลอมากกว่าฉะนั้นแต่หากว่าท่านฝึกมโนยิธิยังไม่ได้เพียงใดแล้วก็จงอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราได้อะไรจริงๆวิชานี้มีให้อยู่แล้วอย่าไปเชื่ออารมณ์ขริม อารมณ์เครื่องจะเป็นปัจจัยทำลายความดีของท่านต้องระมัดระวังนะครับหลักสูตรสาหรับที่จะเพื่ใช้มีอยู่ถึงแม้ว่าได้มโนยิธิธแล้วก็ต้องควบคุมกำลังใจให้ไปไปตามระเบียบอย่างกับที่สอนกรัชนีอย่างที่รัชนีทำ น, นั่นแหละถูก อ้าแดงเคลื่อนนอเหนือไปจากนั้นและไม่ใช่ที่ปรโยควรยานไม่ใช่บุพเพนิวาสานุสติยานมันเป็นอุปาทานมากกว่าต้องระมัดระวังเป็นอันว่าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สมรลุ ป, ปุพเพนิวาสานุสติยานเรารด้ชาติได้ในปฐมชาติในปฐมยามและก็ได้จุตูปปาติยานในยามที่สอง ข้าไม่จูตัวประปาติยาเนรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดที่เกิดมานี้แล้วก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปจากไหนให้ในหนึหน่งเราเรียกกันว่าทิฏฐิขุ ย, ยานแล้วก็ทรงอย่างลงอย่างพยายานลงในปฏิยาการในที่สุดแทนปัฏิไมยานคำว่าปฏิยาการนี้ก็ได้แก่ วิชาปฏิยาสังขาราสังขารปัฏิยาวิญญาณังวิญญาณปัฏิยานามรูปปางเลนิตลพตุนหม่ดีไยวในเวลารุ่งอรุณว่าทรงแทงตลอดสัมพัทธิญาณซึ่งวัดับระเดคุณทุกอย่างมีทศพญาณคำว่าทศพญาณในญาณที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าสิบอย่างมีเฉพาะพระพุทธเจ้า และจะตุเวสารธิยานเป็นตนโดยยานทั้งหมดได้ครอบหมดในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าวพวกเราจะทำก็ไม่ได้นะยานพู้นี้ไม่ใช่วิสัยของมหาวโลกุวิวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงยังการเวลาผ่านไปที่ใต้คนต้นโพคืออจจสัพุดโธใ่เจ็ดสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่แปดประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอาจจะปาลนิโครธทรงถึงความเป็นผู้ขนขวายน้อยคือมีความสบายใจไม่คิดมากใช้าอารมณ์ใจให้มีความสุขเรื่องาน่ายงสมาบัติโดยองคโดยพิจารณาเห็นว่าทรรมที่สภาพทรรมที่สมารุนี้มีสภาพลึกซึ้งกับพิรภาพมาก ยากที่บุคคลอื่นจะเพึงบรรลุตามได้ชักท้อประเทศไทยเพราะเราจะทำเรื่องไยเหล่านี้ไปสอนใครน่ากลัวมันจะบรรลุยากเวลานั้นปรากฏว่าตามพระบาหลีผมขอเอาพระบาลีเป็นพื้นฐานใครจะว่ายังไงจะพิจารณาว่ายังไงก็ช่างแต่ว่ายังไงอย่างไรผมก็ขอเกาะบาหลีเป็นสำคัญ แต่กล่า ว, าาว่าเท่าสหโมดีพรมสหมโมดีพรมนี่เป็นพรมที่เป็นประธานใหญ่นาะรดาพรมทั้งหมดคือพรมชั้นที่สิบหกเป็นพระอนาคามีแลม้มีท่ามหาพรมในหมือนจักรวาลเชื่อเชื่อในองค์สมเด็จพระวิชิตา ม, มารทรงสแสดงธรรมพระองอย่างได้ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพุทธจากศูนยแล้ว สมเด็จพระระิตบแก้วเห็นว่าสัตว์โลกในโลกมีอยู่สี่ชั้นสี่พวกคือว่าอุกติตนอยู่มีปัญญาดีบารมีสูงสอนได้เพียงหัวข้อก็จำได้แล้วก็บรลุมรรคผลฉับพลันวิปติตนอยู่มีปัญญาสามลงมนิตย์ถ้าสอนได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายนิดหน่อยก็บรรลุมรรคผล เนยะบุคคลประเภทนี้สามารถจะสอนให้เข้าถึงมรรคถึงผลไม่ได้ได้แต่ไตรรณาคมคือเคารพในพระพุทธธรรมปร ะ, ระสงค์มีศีลบริสุทธิ์ป่าทประมะคนประเภทนี้มีตาเหมือนตาตกระทู้มีหูเหมือนหูประทะสอนแล้วไม่เข้าใจเอาดีอะไรไม่ได้นี่พวกเราทั้งหมดนี่เป็นคนประเภทไหนบ้างในสี่อย่าง ได้อะไรกันบ้างถ้ายังไม่ได้เลยก็น่ากลัวจะเป็นภูกตายกระทูกโหกระทะก็ฟังกันมากแต่เราดีไม่ได้แต่ที่เราดีได้ก็ต้องจำไว้คนสี่ประเภทเนี้เราอยู่ในประเภทไหนถ้าปัญญามันทื่อเราก็ใช้ฟันบ่อยๆทราบบ่อยๆมันก็ขาดเอง ถ้าทรงใครคนว่าเราจะสแสดงธรรมแก่ใครนั่นแหละเป็นคนแรกก็ทรงทราบว่าอราราดาบทเรา้ักันดาบททั้งอาจารย์ทั้งสองท่านทำกาละเส็จแล้วไปที่นาสินไดาตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปภมไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลคือไม่มีายาตนะที่จะฟังธรรมได้ ถ้าท่านเอาสองอย่านี่อยู่สังเทศของเราเป็นจบเดียวท่านจะบรร้มรรคผลทันทีองค์สมเด็จพระจินสีจนมาตัตมิวานาเสีนยนไดที่อาจารย์ของเราต้องสองนี้ชิบหายจากความดีจะแล้วต่อไปองค์สมเด็จพร ะ, ระบัลทีปแก้วก็ทรงระลึกถึงอุปการรักุณที่นของท่านปัญจวัคคีอรษีท่าหา้า ได้แก่ส่งโกนัญญาธรรมปาท่านปฏิยะธรรมหานามทอัศชีเห้ปฏิบัติตลอดมาให้ความสุขจิง่งสเด็จลูกจากอัสนะไปยังไปยังกาสีมุรีในระหว่างทางได้พบอุปกาชีวก อุบกาชีวกเห็นรูปร่างขององค์สมเด็จตะสมาสมุทรเจ้ามีสวยงามมีรศมีกายผ่องใสจริยาเรียบร้อยสงสัยที่ด้ถามว่าท่านเป็นสาวกของไข่ท่านชอบจำตาใจธรรมะของไข่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสุนตดว่าเราเป็นสยามโปคือผู้ตัดสินเองเท่า น, นี้อุเบกาชีวกสั่นหัวไม่เชื่อว่าไอใครที่ไหนมันไม่มีครูจะมาลุกได้ ก็เลยหลีกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ได้เทกับเขาน่าชี้ได้เป็นอันว่าท่นานนันไลมองดูเวลามันก็หมดแล้วองค์สมเด็จก็ไปจีบแก้วมาอุปการชีวะ ก, ก็ออกไปแล้วท่านก็ทรงสมเด็จเพื่อจะไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าแต่วันนี้โปรดไม่ทันเพราะเวลาไม่มีหมดแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสิิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ธศาสาิกชนผู้รับฟังทุกท่าน